<mister tumors> คือคือหลักการก็เนคขมมะควรเจริญทุกข้อใช่มนั่นนะควรเจริญทุกข้อทีนี้เมื่อเจริญเนคขมมะแล้วนะเจริญเนคขมมะที่อาศัยโทมานัตอ่าขออภัยเจริญโสมนัตที่อาศัยเนคขมมะเพื่อละโทมนัตอาศัยเนคขมมะเจริญไออูเบคาเนคขมมะเพื่อละโสมนัตทีนี้ไออูเบคานี้ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือนานาตตา กับเ e อกตะไอนาณา ต, ตะก็คือประเภทรูปประชานที่เป็นรูปปาวจรจตุทชาณนะนะเอกตะก็เป็นอรูปปรจชานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจริญเรียกว่าเจริญอุเบคาอุเบคาในฌานที่4เพื่อละเนคขมะโสมณัสอันนี้แล้วก็เจริญอารูปปรจชานเนี่ย เพื่อละรูปประชาญอานะถ้าได้ขนาดนี้ก็<ๆ>ก็ดีถ้าอุเบกขาอย่างนี้นะนพูดง่ายๆนะบอกว่าเคยท่องธรรมะและ้วจำไม่ได้มีไหมหนุกไหมไม่หนุกเนาะดี <c oughs> ก็ไม่ดีใจอ่ะนั่นแหละโทมานัดแหละเป็นต้นอันนี้แบบหยาบๆหน่อยนะจะให้ทานก็ยังให้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ย จะรักษาศีลก็ไม่ค่อยพร้อมเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้แบบพื้นๆเสียใจเพราะว่าไม่ได้เจริญกุศลเนี่ยนะ <c oughs> หรือถ้าเป็นเอาสูงสุดเลยก็คือเสียใจทำไมไม่บรรลุสักทีอันน้แบบสูงสุดเลย สรุปว่าผู้ที่พิจารณาเวทนาเนี่ยเขาเอาเวทนามาวิจัยทุกแง่ทุกมุมแต่เวทนาทั้งหลายอ่านจากอะไรอ่านจากรูปเนี่ยนะดูจากรูปเพราะฉะนั้นข้าคนที่ชํานาญจริงๆอ่ะนะเห็นรูปปั๊บเนี่ยดูเลยใช้รู้เวทนาของตนเลยว่าเวทนาของตัวนี้เป็นอย่างไรอย่างไรในบรรดานามขันเนี่ยนะเวทนาหยาบที่สุดคือ ว่ารวมๆแล้วนะที่เจริญเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยถ้าเรื่องรูปอ่อนเจริญยากแต่แ ต, แต่ว่านะเนีใช่แต่แต่ถ้าเรื่องรูปอ่อนนะเรื่องเวทนาเนี่ยเจริญเป็นเรื่องเป็นงานจริงๆก็ยากคือเจริญให้มันต่อเนื่องตลอดนะค่อนข้างยากเพราะอย่าลืมว่าเวทนาทั้งหลายเป็นสิ่งที่อาศัยรูปถ้าพูดแบบเราๆทั้งหลายนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสุขทุกขอุเบขาประเภทอาศัยรูป ทีนี้การพิจารณาเวทนาเนี่ยถ้ารอให้เวทนาเกิดเนี่ยแล้วค่อยพิจารณาเนี่ยไม่อยู่ในหลักการเนี่ยนะเพราะการอ่านประเภทนี้เขาจากรูปปั๊บดูเลยว่า mm hmm. เช่นสีเนี่ยจะก่อให้เกิดเวทนาชนิดใดเนี่ยนะ mm hmm. เขาเขาดูสีปั๊บรู้เลยว่าเออเนี่ย mm hmm. ก็แบบหยาบๆนะสมนขนมชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ย mm hmm. หรือขันชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอย่างเงี้ยนะ รู้เลยขนมอามาขนมเค้กก่อนขนมเค้กก็ไม่หันอย่างนี้หรอกเห็นเขาหันแบบนี้ใช่ไหมเออเขาหันแบบนี้นี่หันแบบนี้มันหันอะไรนี่มันหันหันผักให้หมูนี่หันผักให้หมูอันนี้หันแบบนี้แลกันคือถ้าบอกว่าทีนี้บางเจ้ามันได้ชิ้นโตเราจะว่าไงเค้กชิ้นเดียวกันน่ะนะเออ คนนี้ได้ชิ้นเล็กไปใช่ไหมอันนี้โทมนัทเกิดทุกโทมนัทเลยนะคนที่ได้ชิ้นโตนะโสมนัทแล้วกับคนที่ได้ชิ้นโตด้วยแล้วพอดีไม่ชอบขนมชนิดนี้ด้วยนะอะไรจะเกิดขึ้นวันี้โทมนัทมากขึ้นเมันเค้กชิ้นเดียวกันนะเดี๋ยวก็โสมานัทเดี๋ยวก็โทมานัทมาเค ย, ยสมัยก่อนนึกชอบเค้กมาก ในเล่าให้ฟังนะก็เคยชอบมากเลยทีนี้มันเขามีไอ้ไปอยู่อยู่ที่หนึ่งอะนะงานปีใหม่นี่เขาใส่เค้กอยู่ทุกวันวันตอนนี้นะใครให้เค้กมานะดูซะหน่อยแล้วก็ผ่านเอาไว้เก็บยื่นให้คนอื่นเพราะว่าไอ้งานปีใหม่ปีนั้นเนี่ยนะฉันเค้กทุกวันทุกวันนั้นได้กลิ่นเค้กแล้วก็อพอละ ผ่านพวกอย่างเดียวกันเนี่ยบางในบางกรณีเนี่ยนะเช่นในในครอบครัวเราเราจะเห็นเลยใช่ไหมถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องขึ้นมาอีกคนหนึ่งโสมนัสอีกคนหนึ่งโทมนัสอีกคนหนึ่งอุเบกขาในในเหตุการณ์เดียวกันเขาเขาาคิดยังไงก็คิดว่าฐานะพ่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอะเวทนาพ่อเป็นยังไงแม่เวทนาเป็นยังไงลูกเวทนาเป็นยังไงเอาสมมติมีหนัง มีหนังมาสมมติหรือว่าลูกจะไปเที่ยวไปอะไรก็ได้ลูกเนี่ยถ้าได้ไปเนี่ยโสมมนัทใช่ไหมพ่อแม่โสมด้วยไหมพ่อแม่คืนจะนอนหลับหรือเปล่านะ้ออย่างเงีเพราะว่าไม่รู้ลูกจะได้กลับบ้านหรือเปล่ า, าห่วงมากพันเหตุการณ์เดียวกันเรื่องเดียวกันเสียงเดียวกันอีกคนหนึ่งโสมมานัทอีกคนหนึ่งโทมานัทยิ่งเห็นชัดเลยก็คือลูกเปิดเพลงแล้วพ่อแม่ต้องฟังเนี่ยนะประเภทนี้แหละพ่อแม่โทมานัทมากลูก โสมนัสนะถ้าพ่อแม่เปิดเพลงฟังนะลูกโทรมนัสมากพราะพ่อแม่ฟังเพลงสมัยที่นักร้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือชีวิตละเพ้า <c oughs> เสียงนะนะพวกสีเสียงกลิ่นรสเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสและโทรมนัสโดยที่สุดเนอย่างมากนะอีกคนหนึ่งใช้กลิ่นน้ำหอมอีกคนหนึ่งเนี่โอ้โหอาจเจียนจะกาเริบ <c oughs> คือคือแต่ละคนนี่กลิ่นเดียวกันนี่อีกคนหนึ่งอะ่ะอีกคนหนึ่งโสมมันัดเลยเนยีอีกคนหนึ่งโทมนัดโดยที่สุดแม้อาหารเนี่ยรสชาติเดียวกันเลยอีกคนหนึ่งรับแล้วโสมมันัดมากอีกคนโทมนัดมากอย่างอย่างส้มตาแบบอีสานเนี่ยนะถ้าถ้าใครได้ชิมแล้วเนี่ยซึ่งเรียกว่าเส้นมะละกอกับพริกเนี่ยมันพอๆกันถ้าคนเมืองไปทานอะไรจะเกิดขึ้นนะ โคมานักมากแกล้งกันนี่ก็ <c oughs> มีฝรั่งนะฝรั่งเขาฟ้องคนไทยเพราะส้มตํามันเผ็ดเอ่ <c oughs> แต่รู้สึกไม่ใช่ในประเทศไทยนะที่ต่างประเทศเขาฟ้องว่าส้มตําเผ็ดแกล้งเขาเขาว่างั้นฝ <c oughs> รั่งฟ้อง <c oughs> <c oughs> ก็อีกคนหนึ่งชอบมากเผ็ดๆอีกคนหนึ่งไม่ชอบแบบเผ็ดเลยอย่างเงี้ยนะมันรสรสคล้ายๆกันอีกคนชอบอีกคนไม่ชอบ อีกชาติหนึ่งก็คือไอ่เปรี้ยวกับหวานไอ่เปรี้ยวกับเค็เคมกับไม่ค่อยเค็มเนี่ยนะอาหารเค็มกับไม่ค่อยเค็มเนี่ยมันอีกคนหนึ่งเติมน้ําเติมของเค็มเติมซอสเติมน้ําปลาเติมเอาตเอาติมเอาอีกคนหนึ่งบอกพอแล้วทามไม่ได้แล้วอย่างไงอีกคนหนึ่งโสมันัดอีกคนก็โทมันัดหรืออีกคนก็อุเบขาหรือแม้กระทั่งอากาศอากาศก็เหมือนกั น, นคนที่หนาวกับคนมักร้อนไปด้วยกันนี่เดือดร้อนมากอีกคนหนาวจะสามแล้อีกคนหนึ่งบอกพอดีพอดีพอดี อีกคนหนึ่งร้อนเหงื่อจะแตกแล้วไอ้คนนี้เออคอยอยังชั่วนหน่อยกขาวางกันนะไปด้วยกันลำบากมากทำไมก่อนนีไปกับพระรูปหนึ่งท่านเป็นคนมักหนาวจริงๆเลยนะไอ้เราก็มักร้อนจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> ก็ไปด้วยกันไม่ได้มักตัวนี้แปลว่าไม่ชอบนะอย่างเช่นมักหนาวคื <c oughs> อ <c oughs> มักหนาวเนี่ยมันเป็นสำนวนไมก็แต่จริงๆคนเนี้ยไม่ชอบหนาวหรอก <c oughs> ญญแต่ คือคือถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเป็นโวหารที่รู้กันภาษาพูดนะคนเนี้ยมักร้อนคือเดี๋ยวปกติเขาเป็นคนขี้ร้อนใอ้คำว่ามักร้อนกับมักหนานเนี่ยนะก็ต้องแปลอีกทีหนึ่งเรื่องยาวถ้าเป็นภาษาภาคกลางเขาคุยกันบอกคนนี้เป็นคนมักหนาวหมายาว่าเขาอยู่ที่ที่นหนาวไม่ค่อยได้หรอก คือคือเขาบอกว่าถ้าเจอหนาวหน่อยเขาเดือดร้อนนะอย่างเงี้ยอันนี้คือคือภาษาพูดนะก็คือเขาไม่ชอบภาษาัพ์นั้นมันตฏิกูลก็สรุปว่าเวทนามมันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสและอุเบคาทีนี้ เพื้นฐานดังกล่าวว่าผู้ที่ตามเห็นเวทนาทั้งมวลเนี่ยก็ตามสูตรใช่ไหมเวทนานุปัสนาคือใครที่รอบรู้เวทนาเหล่านี้ก็ต้องปกตินะเ อ, เอแยกวิเคราะห์เวทนาตามทวานว่ามาจากทวารไหนเป็นจากขูสัมผัสชาเวทนาหรือโสตค า, านะเชีวหากาย หรือมโนสัมผัสชาเวทนาต้องรู้ว่าไอเวทนาตัวนั้นไหลมาจากทวารไหนเวทนาเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลอกุศลหรืออัพยากตะอันนี้ก็ต้องแยกได้ใช่ไหมเพื่อจะได้แยกว่าวิบากคควรอะไรจะเกิดขึ้นกรรมสักตาก็ต้องดีเมื่อวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้ได้ดีแล้วก็พิจารณา โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะก็คือมีอนุปัสนาเจดอีกนั่นนะตามเห็นเวทนาเหล่านั้นนั่นแหละเช่นเรียกว่าสุขทุกข์แล้วก็อุเบขาอะไรก่อนอะไรหลังมันเป็นแบบนี้มันวงวงโครจรมันอยู่แค่นี้จะว่าสุขก่อน ก็แล้วแต่ว่าพูดถึงอะไรก่อนใช่ไหมสุกไปหาทุ ก, ก็ได้หรือสุกไปหาอุเบกขาก็ได้ทุกมาหาอุเบกขาก็ได้ไปหาสุสกก็ได้ใช่ไหมอุเบกขาไปหาสกกาหาุกก็ได้อุเบกขาไปหาทุก็ได้มันก็เลยไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังแต่ว่าสเสวยทีละเวทนาสเสวยทีละเวทนาก็ ต้องไม่ลืมนะว่าถ้ากล่าวเวทนาแต่ละอย่างปพวกนี้ต้องแยกแยะมาอย่างดีแล้วก็ตามเห็นเวทนาพวกนี้แหละชั่วคราวใช่ไหมว่าสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันตัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงแม้อุเบกขาเวทนาก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกขเห็นสุขโดยความเป็นทุกขเห็นทุกเป็นลูกศรเห็นอาทุกเข้ามาสุขโดยความเป็นของ แปลปรวนเนี่ยนะหรือสุขสุขเวทนานะเป็นสุขตอนที่มีอยู่สุขเวทนาทุกไหมถ้าบอกว่าสุขเหล่านั้นจะหมดอะไรจะเกินอันนั้ก็ว่าสุขตอนมีอยู่ทุกตอนหมดไปเนี่ยนะความสุขกำลังจะหมดก็ทุกข์ขึ้นถามว่าความทุกข์นะสุขหรือทุกเป็นสุขเมื่อมันจะหมดเป็นทุกข่ามันตั้งอยู่ เปรียบเทียบอะไรนะเหมือนกับคนที่อยู่ในคุกเนี่ยนะถามว่าปกติถ้าใช้คําว่าอยู่ในคุกดีใจหรือเสียใจ <Okay. S 1> เสียใจมั้งวันนี้เป็นวันออกจากคุกดีใจวันเข้ากับวันออกเนี่ยต่างกันนะแต่ว่ามีคําเดียวกั น, นอ่นะเอว่าโดยรวมๆแล้วพวกเวทนามันก็สับหมุนเวียนพั้งความทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกตอนที่มันดารงอยู่แต่ถ้าบอกว่ามันจะหมดนะดีใจเช่นบอกว่าเนี่ย พรุ่งนี้คุณจะหายป่วยเลยนะพรุ่งนี้หายฟังแล้วเป็นยังไงคนไข้ยิ้มเนี่ยนะมีความสุขป่วยมานานแล้วจะได้หายสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าความทุกข์นั้นอะหมดความสุขก็เกิดแล้วอุเบกขาเป็นทุกข์เพราะโง่อัญญะเนี่ยนะถ้าไม่รู้นี่ถือว่าเป็นทุกข์ถ้ารู้นี่เป็นสุขถ้าเอามาพิจารณาได้นี่ก็เป็นคือเ บ, บื่อแบบไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรเลยเนี่ยทุกข์ไหม ทุกแต่ถ้ารอบรู้ความเฉยเฉยอันนั้นน่ะเป็นไงเป็นสุขเขาบอกว่าอุเบกขาเวทนาเป็นสุขเพราะรู้เป็นทุกเพราะเพราะงโง่นะนี่สภาวะไทยไทยดีก็เวทนาก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทีนี้เวทนาเหล่านั้นถ้าจําแนกอีกก็บางอย่างก็เป็นเป็นไปกับกุศลบางอย่างก็เป็นไปกับ อกุศลเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่เห็นโดยความเป็นสุขเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเห็โนะะโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินบอกว่าผู้ที่ไม่เจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยพวกนี้เป็นผู้ที่สยบเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นก็สยบให้กับความสุขเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ คร่ำครวญถ้ามีความทุกข์เกิดมีอุเบกขาก็ร่มหลงเพราะว่าสุขเวทนาใกล้ต่อราคะทุกขเวทนาใกล้ต่อโทสะอุเบกขาเวทนาใกล้ต่อโมหะราคะเรียกว่ากำหนัดโทสะเรียกว่าขัดเคืองโมหะก็จะกว่ลุ่มหลงนั่นนะ ก็เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงมันถ้ากําหนัดอย่างนี้เรียกว่าราคาโน้สัยก็นอนเนื่องเนี่ยถ้าขัดเคืองปฏิกานุใสก็นอนเนื่องถ้าลุ่มหลงอวิชานุใสก็นอนเนื่องถ้าที่ใดพูดอวิชานะวิจิกิกจฉาก็พูดแล้ว ทิฏฐะก็พูดแล้วถ้ากล่าวการมราค า, าถ้ากล่าวราคานุตใสนะการมราคาภวะราคะแล้วก็มานะก็ชื่อว่ากล่าวแล้วมันก็มาไหลมาจากเวทนาเหล่านี้น <c oughs> นั้นถ้าผู้ใดไม่ทําปริญญาก็กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดขัดเครืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเครืองรุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความ ลุ่มหลงแล้วก็กําหนัดก็กิเลสสายราคาก็ท่วมทับใช่ไหมขัดเคืองกิเลสสายโทสะก็ท่วมทับถ้าลุ่มหลงกิเลสสายโมหะหรืออวิชาก็ท่วมทับเนี่ยนะพันถ้าไม่ทําปริญญาวัตตก็ยาววัตตก็ยืดเนี่ยนะมันก็ตามเห็นเวทนาเหล่านี้โดยอนุปัสนาเนี่ยนะซึ่งอย่างว่านะถ้าใครพิจารณารูปไม่มากนักนะที่จะพิจรารณาเวทนาก็ยากเต็มที ซึ่งชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยเกี่ยวข้องกับรูปมากนั้นข้าใครที่เจริญ เ, เวทนานุปัสนาเนี่ยนะพวกนี้สังเกตมากเนี่ยสังเกตยังไงว่าสังเกตว่าสมมุติว่ า, เ, วาเห็นหน้าคนยี่สิบคนเนี่ยแยกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอะไรบ้างเขาเขาเป็นนักวิเคราะห์อย่างนั้นเลยถ้ า, าผุ้การก็ได้มองเห็นสวนต้นไม้นะแยกเป็นเลย อนไหนโสมนัสอันไหนโทมานัสอนไหนอุเบกขาเนี่ยนะมองออกเลยใช่ไหมดอกชุดนั้นอ้าวร่วงโรยแล้วโทมานัสดอกร่วงนั้นกําลังบานเต็มที่อย่างเงี้ยก็หมายความว่าเขาดูออกเลยเพราะว่าการเห็นภาพอันเนี้ยจะรู้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสแก่บุคคลที่ชมหรือเปล่า น, นะพวกนักออกแบบทั้งหลายเนี่ยจะมองเห็นรูปจะดูดูกิเลสสายนี้ได้ เพราะเขาเขาเป็นคนสังเกตว่าสังเกตถึงสภาพจิตของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้คือดูจากรูปเนี่ยสังเกตถึงสภาพจิตได้เลยอ๋อนิยตะเฉยเอ่อ <laughs> ถ้าตีรณะก็คือตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะพวกนั้นเจะเริ่มเป็นตีรณะอ น, นิจโตทุกขโตโรคโตนะถึงมันจะสุกมันก็แค่นั้นนะ น, นมันก็อย่างว่านะเห็นดอกไม้สวยโสมนัสเลยใช่ไหมแล้วดอกไม้นั้นร่วงเป็นไหมตอนมันร่วงอะไรเกิดโธมนัสก็เกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่พิจารณารูปมากๆเพราะอย่างอย่างคำว่าจัะโตเนี่ยนะคือหวั่นไหวเนี่ยสภาพจิตทั้งหลายโดยปกติก็หวั่นไหวใช่ไหมทำไมมันจึงหวั่นไหวเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจเนี่ยมันไม่เที่ยง เนี่ยนะเพราะว่าสมมติว่าอย่างถ้าใครชอบวัตถุใดวัตถุนั้นก็แปรไปเมื่อวัตถุนั้นแปรไปอะไรจะเกิดขึ้นเ็นียนะก็ปิยชกสูตรเนี่ยกล่าวถึงว่าความโศกทั้งหลายก็เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รักใช่ั้ยดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายในเมืองสาวัตถีนี่แหละ น, นพ่อบ้านคนหนึ่งแม่บ้านตายก็เป็นบ้าไปเลยอันนี้ว่าโดยสรุปนะนีแม่บ้านคนหนึ่งพ่อบ้านตาย ก็เป็นบ้าอีกเหมือนกันแล้วก็พ่อคนหนึ่งลูกตายก็เป็นบ้าลูกชายตายก็บ้าลูกสาวตายก็บ้าก็ว่างๆไปที่ก็ไปสัมภาษณ์ดูนะต้นเหตุคือเรื่องราวมาจากไหนก็ทั้งแต่ละเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนนะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มันสุขเวทนาก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสุข ตัวตัววัตถุนั้นอะ่ะไม่ยั่งยืนแล้วจะสุกได้จากแต่ที่ไหนจะสุกได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยนะนั้นบุคคลนี้เห็นโทษแห่งความสุขที่ไม่ยั่งยืนนี้เขาจึงรีบรีดตัดฉั้นราคาเพราะว่าถ้าปล่อยให้ความสุขหรืออะไรนะราคะเหล่านั้นมันท่วมทับรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทุกข์ในภายหลังเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยนะก็ต้องเสียใจเพราะเสียใจหนึ่ง ตัวเองจะต้องจากไอ้วัตถุแห่งที่ตั้งแห่งความสุขเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่ามรณะเป็นทุกข์เนี่ยนะคนดีทั้งหลายก็ทุกข์เหมือนกันทุกอย่างไงก็ทุกข์เพราะต้องพัดพราดจากวัตถุอันเป็นที่รักเป็นต้นเนี่ยนะนันก็นับว่าเป็นทุกข์หรือเจ็บป่วยเป็นต้นฉะนั้นความสุขทั้งหลายก็รู้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนอะไรก็ตามเห็นสุขทุกข์อุเบกขาโดยอนุปัสนา แต่ว่าที่จะเห็นได้นะจะต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องรูปมากถ้าเห็นรูปแล้วก็ยังไม่ทันรู้สึกเลยนะเรียว่าอะไรนะเห็นกำแพงหรือเห็นอะไรปั๊บยังอ่านไม่ออกเลยว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกโทมานัตตุนิชามากก็ภาษารีบุตรท่านบรรลุพระเวทนานุปัสนาก็ไปดูละครดูเห็นรูปพวกนั้นน่ะท่านเกิดเวทนาได้ เกิดถ้าอย่างพระสาริบุตรเนี่ยนะท่านเห็นคนที่ที่เต้นรำเนี่ยนะร่ายรำกันอยู่ปกติเนี่ยก็เขาว่าจะตกรางวัลในสมัยที่ควรตบหัวเราะสมัยที่ควรหัวเราะสังเวชสมัยที่ควรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนที่ดูละครแนะเข้าถึงเข้าถึงอะไรนะโลกของละครได้แต่มีอยู่วันหนึ่งดูไปดูมาไอ้พวกแสดงนี่มันจะถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ไม่เหลือชื่อแล้วเนี่ยชื่อแท้ก็ไม่เหลือแล้วคนฟังก็เหมือนกันนี่แหละจะไม่เหลือชื่อเหลือแท้แล้วละ่ะ ทั้งคนดูคนแสงก็อีกภาพเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วนะเดี๋ยวห้องเรานะี่ยอีกกี่ปีหมดแล้วนะ น, นก็เหมือนกันนะนะก็แต่ละจะในหน้าเพลิดเพลิงบ้างนะอย่างเงี้ยเขาก็พิจารณาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราน่าสแสวงหาธรรมะเป็นที่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ดีกว่าเหมือนกันที่จริงภาษารีบุตรเนี่ยนะท่านมีอุปนิสัยในเรื่องการเจริญเวทนาเนี่ยมาก ย่ท่านดูละครเนี่ยท่านดูละครเดียวมันก็หวัวเราะดิมันร้องไห้เดียวมันก็อะไรดูตัวละครเองอะ น, นะแล้วตัวคนดูอีกคนดูก็เปลี่ยนแปลงไปตามตามใครเรียกว่าตามบทบาทนี่ยนะ <c oughs> คือเมื่อเมื่อบุคคลที่วิเคราะห์รูปเก่งๆเนี่ยจะเข้าถึงโลกของความรู้สึกถ้าใครที่ที่เข้าถึงโลกของความรู้สึกคนนะพวกนี้จะจัดเรื่องรูปได้พวกนี้จะเป็นที่มาของนักแต่งนักออกแบบ ท, ทั้งหลายเขาก็จะโดยถึงถึงไม่ได้ศึกษาธรรมะ ม, มานะ แต่โดยรวมๆแล้วเขาพอรู้แม้กระทั่งพวกทําอาหารทั้งหลายก็ต้องพอรู้นะรู้ว่าอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขโสมนัสไหมจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งก็ดูที่รูปเนี่ยนะเขาเขาก็เห็นอาหารปั๊บรู้เลยว่าควรจะเจ๊งหรือว่าควรจะควรจะเจริญเนี่ยนะก็ดูได้จากจากรู้จากรูปทั้งหลายแม้จะเป็นสีหรือเสียงหรือเปลี่นหรือรสหรือโพธภาพเป็นต้นนี้ก็วิเคราะห์เวทนาเพราะว่าพวกสายบริโภคนิยมพวกนี้จะ จะแต่งพวกรูปทั้งหลายเนี่ยให้ให้เกิดสุขสมสาระของเขาคือบัตรทุกแล้วก็เพิ่มให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขให้สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าสุขเกิดที่ใดราคาเกิดที่นั่นกําลังซื้อมันจะเกิดแั้ก็ให้ <c oughs> ให้เขาชอบที่สุดที่เขาที่เขาจะชอบได้ใช่ไหม ถ้าเขาชอบมากเขาก็ไม่ค่อยต่อรองอย่างภาษาลิบุตรฟังเรื่องเวทนาสั้นๆเลยนะพระองค์เทศแค่สามเวทนานั้นนะนะสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาสมัยใดที่เธอสเสวยสุขเวทนาสมัยนั้นเธอก็ไม่ได้สเสวยทุกขเวทนาเธอไม่ได้เสวยทุกขมสุขเวทนาคงเสวยสุขเวทนาอย่างเดียว สุขเวทนาก็ไม่เทียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเนย่ยไงเพราะนั้นสุขเวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปสิ้นไปหมดไปเท่านี้ท่านท่านฟังเท่นี้ท่านบรรลุอ่ะคือถ้าโดยพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสยบกับเวทนามากคือให้ค่ากับเวทนาตัวเองจริงๆเลยเนีตอนไหนที่เขาเขาดีใจเขาเพลิดเพลินเขาก็เต็มที่เลยเนะ ตอนไหนที่เขาเสียใจก็อุย้ยเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยแหละ mm. คือคือเป็นผู้ที่สยบลุ่มหลงอยู่ในในเวทนาพื้นฐานก็เนื่องจากไม่ได้ทำปริญญาในเวทนานั่นเองนะแต่ก็ว่าไปแล้วก็ไม่ได้ทำปริญญาในเรื่องรูปนั่นแหละจึงไม่ได้ทำปริญญาในเวทนาถ้าทำปริญญาในเวทนาน้อยเท่าไหร่จิตเขาจะพิจารณาได้น้อยเท่านั้นคือมันเป็นอย่างนี้ว่า ปกติแล้วเวทนามีสามใช่ไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาและกเุเบกขาเวทนาสุขเวทนาเนี่ยถ้าใครที่เรียนจิตมาก็ต้องแยกว่าเป็นสายสุขเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าสุขสายอากุศลก็เป็นโลภะถ้าสุขสายกุศลก็เป็นตายกับอะไรทานศีลภาวนา เพราะฉะนั้นถ้าทานศีลภาวนาเขาเรียกว่าจิตปราศจากราคะเนี่ยนะถ้าเป็นตายกับโลภะที่เป็นอกุศลเขาเรียกว่าจิตมีราคะนะก็เป็นที่มาของจิตว่าโสมนัสนั้นมีราคะไหมมีราคะประกอบหรือไม่มีประกอบเนี่ยนะทีนี้ถ้าทุกข์ล่ะทุกข์ก็เป็น เป็นอกุศลโดยส่วนเดียวใช่ไหมถ้าทุกใจกนะเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเคเรียกว่าเป็นจิตมีโทสะเนี่ยนจิตที่เหลือจากนี้ปราศจากโทสะทีนี้จิตมีโมหะก็มาแบ่งว่าขณะใดที่อุเบกขาโดยมากเป็นจิตมีโมหะ ไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาเกิด ร, ร่วมกับโลภะก็ตามอุเบกขาแบบวิจิกิจฉาก็ตามอุทธจารก็ตามก็มีโมหะแต่ก็มีอุเบกขาบางอย่างปราศจากโมหะเนี่ยนะเพราะว่าอุเบกขาเป็นกุศลก็มีขนาดนั้นปราศจากโมหะทีนี้จิตเหล่านี้นะในบรรดาจิตปราศจากราคะโทสะโมหะบางบางครั้งเนี่ยสุขเวทนาแบบหดหู หดหูปแปลว่าง่วงทีนะอันน่ะง่วงทุกแบบมีง่วงประกอบไหมง่วงอุเบกขาก็ง่วงเพราะว่าทีนะมิทะเกิดร่วมกับจิตเราใดบ้างก็โลภโทสะก็มีโมมีทีนะเกิดร่วมด้วยเสร็จแล้วบางอย่างก็อุเบกขาก็เป็นต่อด้วยอุทตจจะเรียกว่าจิตหดหูกับจิต ฟุ้งซ่านได้จิตกี่ประเภทแล้วนะหจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคา2จิตปราศจากราคาก็รู้ว่าปราศจากราคา3จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ4จิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ5จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ6จิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะเจจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูแปก็จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน ทีนี้ในบรรดาจิตเอาจิตเหล่านั้นะนะถ้าจิ ต, ท, นนจตที่เป็นกุศลเอาจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวมาวัดว่าเป็นมหัคตาไหมะนะเป็นมหัคตะไหมหรือไม่เป็นมหัคตนะก็จะเป็นก้ากับศิบแล้วใช่ไหมจิตเหล่านี้เนี่ยสมมติว่าไอ้พวกที่เป็นมหัคตาเนี่ยมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีเรียกว่าสอุตระ น, นะกับ อนุตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าไหมหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าในจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะสมาธิมีไหมเป็นสมาธิไหมหรือไม่เป็นสมาธิเนี네่ยนะก็เกี่ยวกับสมาธิไม่เป็นสมาธิที่เป็นสมาธิเนี่ยหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นนะหลุดพ้นไหมหรือว่าไม่หลุดพ้นเนี่ยนะ ก็เป็นที่มาของการวิเคราะห์จิตได้ก็อาศัยจากดูจากวัดจากเวทนาเนี่ยโครงสร้างคร่าวๆจากเวทนาก็ค่อยๆอ่านจิตตามเวทนาเหล่านั้นเหล่านั้นก็จะเห็นจิตตามประการต่างๆซึ่งจิตเหล่านี้ถ้าว่าไปแล้วก็จิตตามทวารหกนั่นเองจิตที่เป็นจากครูวิญ ญ, ญาณโสตค า, านะเชีวหากายาวิญ ญ, ญาณก็ตามเห็นเมื่อรู้จิตแบบนี้เนี่ยนะกรรมมศกตาก็ดีอยู่แล้วใช่ ก็พื้นฐานจิตเหล่านั้นเป็นกุศลอกุศลอะไรเป็นต้นก็แยกแยะเป็นแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับรู้เหตุรู้ผลก็ตามเห็นจิตเหล่านี้แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นน่ยนะก็สามารถวิเคราะห์จิตทั้งหลายได้ก็เจริญจิตตานุปัสสนานผู้ที่เจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นต้น การเจริญเหล่านี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นะแต่ว่าโดยปกติสัตว์ทั้งหลายนี่ก็มีอัาธาในจิตเหล่านี้ไม่ใช่น้อยนะนะหรือคือตอนที่รูปมันดีเวทนามันดีนะก็นึกว่าจิตนี้มันแน่นอนใช่ั้ยนึกว่าจิตนี้มันมั่นคงก็เลยก็เลยดูแลจิตพยาจิตตระราาต่อไป ย่ให้มันเป็นพยาเลยใหญ่มากก็ลองจิตไม่เอาดูสิโหหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในะเรื่องคำว่าปริญญานี่แล้วมันเนี่ยปริญญาเต็มที่เลยคือพวกนี้มันพื้นฐานในการเอาไปตรึกเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าหนึง่งจำสูตรได้ไหมสองถ้าจำไม่ได้เราต้องรู้ว่า กดเกณฑ์เขาเป็นยังไงแล้วค่อยๆต่อเดาวก็ได้นะเรากครงสร้างไว้ก่อนหน้าตาเป็นไงเรายังดีสมควรแก่เวลาแล้วนะ